ความลึกซึ้งโดยอัดเนี่ต่อไปเกี่ยวในเรื่องของการอัดของตันติอัดของภาษาบาลีนี่เนี่ยเป็นตันติภาษาพรมคตอัดฐานและธรรมะก็จะแก่ตันตินี่แหละการแทงตลอดก็คือการอย่างรู้ต่างความเป็นจริงซึ่งตันติและอัดแทงตันติก็คือการแสดงตันติที่กําหนดไว้ด้วยใจนั่นก็คือเทศนา ก็อาจเป็นต้นเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นอันบุคคลผู้มีปัญญาน้อยทั้งหลายยึดพึงอย่างรู้ได้ยากและไม่มีที่ตั้งอาศัยที่จะพึงได้คนมีปัญญาน้อยรู้ธรรมของพุทธเจ้าได้ยากเนะี่ยไม่ใช่วิสัยด้วยเหมือนมหาสมุทรที่สัตว์เล็กๆมีกระตายเป็นต้นยั่งได้ยากเช่นนะั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อวลึกซึ้งอัดก็คือได้แก่ผลอย่างเหตุอัฏฐาเนี่ยนะเป็นผลผลของเหตุธรรมะก็ได้แก่เหตุ เทศนานี่เป็นบัญญตัติคำพูดทั้งหลายนี่เป็นบัญญตัติคือกล่าวทำไปตามลำดับเนี่เขาเรียกเทศนากล่าวทําไปตามลำดับหรือเจะในเรื่องของการกล่าวทําไปตามธรรมในขณะที่การกล่าวทําไปตามตามคือบัญญัติการกล่าวโดยอนุโลมโดยปฏิโลมโดยยอดโดยพิสดารเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นเกี่ยวกัเรื่อของบัญญตัติส่วนปฏิเวทาเนี่ย ได้แก่การตัดสรู้การยังรู้ในธรรมตามสมควรแก่อัตถะคือการยังรู้ในเหตุตามสมควรแก่ผลเนี่ยโดยอัดตามสมควรแก่ทมและก็ผลตามสมควรถี่และในบัญญัติตามสมควรแก่ครองแห่งบัญญตัติก็หมายความบอกว่าเช่นรู้ว่าวิชาเหตุถับเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะ รู้สังขารเป็นอัฏฐะเป็นผลแล้วก็รู้ทั้งอวิชชาทั้งสังขารว่าเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรใช่ไหมอันนี้เป็ว่ารู้ทั้งผลเหตุรู้ทั้งผลรู้ทั้งผ ล, ร, ง ล, ร, งลรู้ทั้งเหตุว่าผลนี้เกิดจากเหตุอันนี้เหตุนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้มีผลเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้บัญญัติบัญญัติคาํ า, าว่าวิชชาและบัญญัติคําว่าสังขารเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าบัญญัติตามสังควรแกลี้ยกลองแห่งบัญญัติ วเขาเรียกอะไรเขาเรียกวิาวชานี่เขาเรียกว่าสังขารเป็นต้น น, นะนะอีกอย่างหนึ่งคือสภาวะอันไม่วิปริตสภาวะอันไม่วิปริตก็คือว่ากล่าวคือลักษณะที่จะพึงแทงตลอดทั้งทํานั้นนะปฏิเวทาเนี่ยเขาแทงตลอดแบบไม่วิปริตแล้วเขาแทงตลอดอวิชาแทงตลอดสังขารแทงตลอดวิญญาณ น, นามรูปสราเยตนาผัสสเวทนาเป็นต้นนะ เขาแทงตลอดแบบไม่วิปริตตามสภาวะของสภาวะธรรมนั้นนั้นที่จะเป็นโลกีญาหรือโลกุตระก็เป็นขยายกันอีกทีฉะนั้นเขาจะเอาแทงตลอดกล่าวคือลักษณะที่จะพึงแกงตลอดในธรรมนั้นๆอันเป็นก็อัฏฐาเป็นต้นแม้เหล่านี้อันนั้นอันบุคคลผู้มีปัญญาสามไม่ได้สั่งสมบุญสมภานเอาไว้จะพึงอยากเห็นได้ยากนั่นการที่เราจะเข้าใจอย่างเช่นเอาวิชาจะเข้าใจอัฏฐาของวิชาเนี่ยยาก อธาว่าไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทัยเป็นต้นเหรอเนี่ยนะหรือว่า อ, ธ, อธาอยทางสังขารเนี่ยนะมาถึงเจตนาเนี่ยนะเจตนาที่เป็นปุญญาปุญญาแล้วก็อนเนินช้าเนี่ยสัตว์ที่มีปัญญาน้อยสัตว์ที่มีปัญญาน้อยโดยเฉพาะไม่ได้สั่งสมบุญไว้ในาศาสนาของพระพู้มีพระภาพเจ้าแล้วยังเขียนได้ยาก และไม่มีที่ตั้งอาศัยที่จะพึงได้เพราะว่าต้องอาศัยความเพียรเขาเรียกว่าเพียรพยายามในการที่จะก่อบุญบุญสมบาตในปัจจุบันจพบให้มากอย่าท้อเหมือนอย่างหมาสมุติที่สัตว์เล็กๆมีก็ต่ายเป็นต้นอย่างลงได้ยากฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชั่วลึกซึ้งด้วยประการอย่างนี้เออตอนนี้ก็ไปขยายศักด์ไปขยายตรงนี้เนาะ นี่ในพุทธคุณนะนะในในชั้นของในชั้นของ อ, อัตตะทก็มีนะในแนอัต ก, ก็มีเพราะแม้ปฏิเวทก็อาศัยอัตถะท่านอาจารย์ท่านอธิบายว่าพร้อมทั้งอัตถาและความลึกซึ้งโดยอัตและความลึกซึ้งโดยปฏิเวทเพราะแสดงถึงคุณของอัตแล้วก็ธรรมะแล้วก็เทสนานั้นนั้นอาศัยพยัญชนะใช่ไหม ท่าก่าวว่าชื่อว่าพร้อมทั้งพ ย, ยัญชนะเพราะความลึกซึ้งโดยธรรมและความลึกซึ้งโดยเทศนาเพราะแสดงพยัญชนะสมบัติของธรรมและเทศนาเหล่านั้นทีนี่ยานเนี่ยที่มีความแตกฉานในอัตทั้งหลายชื่อว่าอัตถาปฏิสัมพิทายานที่ถึงความแตกฉานในอัตถาธรรมะนิรุตติปฏิสัมพิทาชื่อว่าปฏิพาณะปฏิสัมพิทาหมายถึงแตกฉานอัตถาด้วยแตกฉานธรรมะด้วยแตกฉานนิรุตติด้วย อันนั้นเป็นปฏิภาณณไปสัมพิทาเพราะฉะนั้นจันทิงกล่าวว่าถึงพร้อมด้วยอัฏฐานั้นเป็นถึงพร้อมด้วยอัฏฐาเพราะเป็นวิสัยแห่งอัฏฐาไปสัมพิทาดังที่ได้ดกล่าวเพราะความที่ปฏิสัมพิทาแม้นี้เป็นวิสัยของอัฏฐาเพราะความที่อัฏฐาสมบัติไม่มีปฏิสัมพิทานั้นก็ไม่มีคำว่าไม่ทำได้แก่ตันติคำวันิรุตติได้แก่การกล่าวขายายบทแห่งตันตินั้นนะของบาลีนั้นของมคตนั้นของภาษานั้น ญาณที่ึงความแตกฉานในธรรมและของนิรุตตินั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาและนิรุตติปฏิเสมิทาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวบอกว่าถึงพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะความเป็นวิสัยของธรรมะปฏิสัมพิทาและนิรุตติปฏิเสริมพิทาเพราะเมื่อพยัญชนะสมบัติไม่มีธรรมะและนิรุตนั้นก็จะไม่มีเป็นต้นตอนนี้ท่านกล่าวพาดพิงเกี่เรื่องของปฏิเวทไว้แต่ไม่ได้ขยายคือการตัดสู้นี่ที่จริงต้องไปเชื่อมโยงในขมีหนึ่ง ในวิสุทธิ ม, มาร ก, ก็ดีในดีกาตรงนี้ก็มีต้างไปเชื่อมโยงในในเนี่ยตอนตอน้ตนๆของสมัญตะปะภาษาดีกาตกระถาและวก็สารัตถทีปณีดีกาพระวินยัยในสารัตถทีปณีดีกาพระวินยัยท่านก็ขยายเกี่ยวกับในเรื่องของปฏิเวทเขาไว้แม้ในสมัต์ปะภาษาดีกาตกระถาท่านก็ขยายเขาไว้ ท่าขยายคําว่าปฏิเวทตรงนี้ยถ้าหากว่าเราดูจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเชื่อมไม่ได้เพราเชื่อมไม่ได้จะยุ่งเลยว่าเออท่านกล่าวเกี่ยวในเรื่องของปฏิเวทไว้อย่างไรใช่ไหมเพราะเกี่ยวในเรื่องของปฏิเวทปฏิเวทะท่านเกี่ยวเรื่องการแทงตลอดนั้นแหละท่านจะพูดถึงในเรื่องของโรกียะปฏิเวทะแล้วก็โลกุตระปฏิเวทะในส่วนของโลกียปฏิเวทะนั้นท่านจะพูดถึงในเรื่องของในเรื่องอะไร ในเรื่องของเป็นวิปัสนาญาณยังไงก็เคยกล่าวไว้หลายครั้งใช่ไหมว่าโลกิยาปฏิวปฏิโลกิยาที่เป็นวิปัสนาญาณเนี่ยในส่วนของโลกิยะปฏิเวทะแล้วก็โลกุตระปฏิเวทะเนี่ยท่านก็พูดถึงในเรื่องของคําว่ามาจากคําว่า อัฏฐปฏิสัมพิธาธรรมะปฏิสัมพิธายุรติปริสัมพิทาแล้วก็ปฏิพาณนะปฏิสัมพิทาอย่างเนี้ยจำลองแบบเนี้ยแต่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้กล่าวย่อๆย อ, อย่างนี้ในตรงเนี้ยที่ท่านกล่าวย่อเขาไว้เพราะอะไรเพราะว่าโดยการขยายความเนะี่ยท่านขยายไปแล้วฉะนั้นเมื่อขยายไปแล้วท่านก็เลยบอกว่าไม่มีความจําเป็นในกรณีที่ต้องขยายแล้วเป็นต้นแปลว่าแปลว่า แปลว่าท่านขยายแนละ้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปเชื่อมดูสักหน่อยนะดูว่าเออท่านขยายยังไงก็ายเป็นประโยชน์ในการที่ว่าเวลาศึกษาคําสอนในการเชื่อมโยงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจําเป็นใช่ไหมพอดีคเอามาไม่ไม่ไม่ได้คาดไว้เหตุที่ไม่าคาดไว้เมือม่อกี้ก็ น, นึกว่าแต่นึกว่าแต่มันท่านขยายไว้พิสดาร ไม่ดูไว้นานแล้วนะี่ยลืมแต่ก็ไม่เป็นไรเราเดาเดาดแป๊บก็ ต, ตรงนี้ก็ดูท่านท่านเชื่อมความนะพอจะพอจะเข้าใจ ไ, ไหมทุกคครับคุณพัดน์วังนะพอพอจะพอจะมองเห็นบ้างไหม เออลองลองแสดงทัศนะดีอย่างี่กำลังดูว่าเอตรงนั้นอืมได้หาเจอหรือเปล่า ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวได้สรุปเอนนะที่จริงตรงนี้เคยทำวิจัยวิธีเลยเคยนั่งแต่ก่อนไม่เคยมาจดหนังสือให้มันยุ่งยากอย่างคือคุยไปหลายรอบแล้วไงคือ สรปตรงนี้ก็คือโลกียะปฏิเวทยานกับโลกุตระปฏิเวทยานเลยนะตรงนี้ดีกว่าหาไม่เจอแล้วโลกียะปฏิเวทยานก็คือหมายความว่าเป็นวิปัสนาญาณที่ไปพิจารณาเนี่ยนะอวิชาแล้วก็พิจารณาสังขารดังที่ได้กล่าวเพราะว่าถ้าไปพิจารณาหรือทําความเข้าใจก็คืออวิชาแล้วก็สังขารนนีะ่ก็คือเป็นขันห้าได้หละ พิจารณาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายเพราะนามรูปก็คือกันห้าชัดเลยนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปปธรรมนี่นะก็ะพิจารณ า, านี่แหละกันห้าในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็ตนต้นอะไรนะในหลายรกษณายอย่างนี้นก็ <c oughs> การไปพิจารณ า, ารู้แจ้งอัตถะ เช่นรู้ว่าอาวิชานี่เป็นเหตุสังขารนี้เป็นธรรมที่เป็นผลเกิดแต่เหตุอย่างเงี้ยการไปรู้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุแล้วก็รู้ผลรู้อัตถะแล้วก็รู้ธรรมะเนี่ยนะอัตถะก็คือรู้จักรู้จักกันเกี่ยวกับในเรื่องของอัตถะก็คือรู้ผลใช่ไหมธรรมะก็คือรู้เหตุฉะนั้นการไปรู้ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็น เป็นอัฏฐะแล้วก็เป็นธรรมะเนี่ยเนี่ยไม่หาไม่เจออ๋อเจอแล้วเห็นไหมเนี่ยหาเจอเออจริงๆก็เห็นไห ม, หหไหมว่าก็คืออย่างนี้ ท่านแสดงบอกว่าแก้ไขปฏิเวทปฏิเวทก็ได้แก่การตัดสรุปยานก็ท่านเรียกปฏิเวท้าเาอาจว่าแทงตลอดแทงตลอดแสดปก็คือปฏิเวท้ก็คือการตัดสรูปการแทงตลอดใช่ไหมก็ได้หรือปฏิเวท้เป็นเครื่องแทงตลอดก็ได้หรือสัพ์เดียวคําว่าพิสมัยะการตัดสรุปเพาอาจว่ามาถึงเฉพาะนี่นะ อภิสมยัยเพาะอาจเป็นเครื่องให้ถึงเฉพาะพร้อมเฉพาะก็ได้ท่านต้องการให้ปรากฏประเภทแห่งการตัดสู้โดยอารมณ์และโดยสภาวะหรือแทงตลอดโดยอารมณ์หรือโดยสภาวะรู้แจ้งโดยอารมณ์และโดยสภาวะเนี่ยนะก็ประสงค์จะทําให้ปรากฏโดยการตัดรู้โดยอารมณ์และโดยสภาวะนั่นแหละจึงกล่าวคําว่าปฏิเวทนั้นเป็นทั้งโลกียะเป็นทั้งโลกุตระเข้าไว้เป็นต้น ก็เชื่อมความคืยาการอย่างรู้โดยอารมณ์และโดยความไม่งงงายาการอย่างรู้โดยอารมณ์และโดยความไม่งมงายคือการไม่หลงไม่มีโมหะปกปิด oh ในการที่เข้าไปอย่างรู้เข้าไปไข้ควรเข้าไปพิจรารณาเข้าไปทปํญญ า, า, า, ปนน า, าปริญญาก็ว่ากันไปในชนั้นของญาต่ปริญญาในชั้นของติเรณปริญญาที่เป็นพิจรารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงบางเป็นทุกข์บางเป็นอนัตตาเนี่ยนะหรือปหานาปริญญาในการที่จะละฉันตราคาเป็นต้นเนี่ยนะ การอย่างรู้โดยอารมณ์และโดยไม่งมงายในสองอย่างนั้นการอย่างรู้ที่เป็นโลกียะเนี่ยที่มีอะไรเป็นอารมณ์มีธรรมคือมีอวิชชาเป็นอารมณ์มีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปมีสลายาตนามีปัสสัมีเวทนามีสัญญามีสังขารใช่ไหมเออมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีพบมีชาติมีชรามรณะเป็นอารมณ์เนี่ ก็ไปอย่างลงเนี่ยปฏิจจสมบัติทำสิบสองเลยเป็นอารมณ์ทั้งหมดการอย่างรู้ในลักษณะนั้นว่าเป็นอารมณ์ทีนี้พอไปอย่างรู้แต่ละอย่างไม่ใช่อย่างรู้เป็นไปตามลำดับเนี่ยเมื่อเป็นไปตามหลุเนี่ยปัญญาที่เป็นปัตเวทเพอไปอย่างรู้พอไปไข้ควรพอไปพิจารณาอวิชชาสังขารวิญญาณเป็ตนต้นก็ไปไข้ควรรู้เลยว่าอวิชชาเป็นธรรมที่เป็นเออมีอัตถาว่าเอออวิชชาเนี่ย มีสังขารเป็นอารมณนะ์ไหมเขาถึงบอกว่าการอย่างรู้อวิชชาเป็นต้นเหล่านี้นะการอย่างรู้โรกยะอันมีธรรมนะงั้นการไปอย่างรู้ธรรมก็คืออย่างรู้อะไรอย่างรู้อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาผัสสะเวทนาตันถาอุปาทานภาวะชาติแค่นี้พอนะอย่างรู้ธรรมะงไงคือธรรมะที่เป็นเหตุใช่ไหม พอไปอย่างรู้ธรรมที่เป็นผลก็คืออย่างรู้สังขารวิญญาณนามรูปสราเยตนาภาสาเวทนาตถาปารทานเพราะวะ่าชาติฉลาเห็นไหมนี่ก็อย่างรู้อันนี้คืออย่างรู้ธรรมท่า ท, ที่เป็นผลที่เป็นผลไหมเขาเรียกว่าอาวิชชาจะเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นเหตุวิญญาณเนี่ยอย่างรู้ปไปฮะวิญญาณเป็นเหตุ เนี่ยนามรูปเป็นเหตุเฮ้ยนามโลกนามให้นามนามเออรัศลายนะเป็นเหตุภัสสะเป็นเหตุเวทนาเป็นผลเวทนาเป็นเหตุตัณหาเป็นเหตุเนี่ยอุภาทานเป็นเหตุภาวะเป็นเหตุนี่ไชาติเป็นเหตุเนี่ยอย่างรู้ในลัณะอยางเนี้ย เนี่ยเขาเรียกว่าตัวปฏิเวทโลกยะปฏิเวทะเนี่ยไปอย่างรู้อย่างนี้ก็เลยแทงตลอดโดยอารมณ์โดยโดยทำให้เป็นอารมณ์เพราะไปอย่างรู้เป็นไปตามลําดับนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไข้ควรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลน่าเข้าน่าเข้าเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อแท้ที่จริงที่บอกว่าสัตว์บุคคลสัตว์บุคคลแท้ TV, maintain, ที่จริงเป็นสภาวะธรรมขององค์ปฏิจตุสุบัติหรือขันห้า คือขันอยนายตนะธาตุสัจใจอินทริปฏิจจานั่นเองที่มันกลาลังหมุนไปในกระแสของขจัดสัตว์ตรเรื่องขยายอย่างอ๋อแทงตลอดขันโดยความเป็นอารมณ์แทงตลอดอยายตนะสัจใจอินทรีย์ปฏิจจโดยเห็นไหมโดยความเป็นอารมณ์ว่านี้คือโอ้ทีสมมุติว่าสัตว์บุคคลเป็นอย่างนี้แต่สภ า, าวะของปฏิสรงบาททาเป็นอย่างนี้มองเห็นไหมเออการเป็นเหตุเป็นผลเป็นอย่างนี้ และมีการทำให้เข้าใจทั้งสองอย่างนั้นเป็นอารมณ์ด้วยโอ้โหชัดเจนเลยทั้งอวิชชาทั้งสังขารเข้าใจชัดเจนเลยอย่างลงหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นรอบอ่ะอะ้รอย่างนีนี่โลกยัปปิเวทย์ที่ยังก็เป็นอย่างนี้ชื่อว่าการยังรู้เนะี้ยเป็นการยังรู้ทั้งสองอย่างเป็นอารมณ์ซึ่งว่าการยังรู้ใน้ทรเป็นต้นเหล่านั้นอันสมควรแก่อักเป็นต้นโดยโดยอารมณ์ด้วยเออบอกว่า พออย่างรู้โดยทำเป็นต้นนะว่าอาวิชชาอะไรเห็นไหมเป็นปัจจัยแก่สังขารอะไรนะตรงนี้นะเจ้าพญาเช่นอวิชชาในโลภอวิชชาในโทสะอวิชชาในโมหะอวิชชาในมหากุศลแปดอวิชชาไม่ใช่อวิชชาที่เป็นปัจจัยแกนะสังขารคือเจตนาในโลภเป็นยังไงอวิชชาที่เป็นปัจจัยแกเนี่ย คือโมหะเป็นปัจจัยแก่สังขารคื ah อเจตนาในโทสะยังไงอวิชชาคือโมหะเป็นปัจจัยแก่สังขารคื ah oh ZY? อเจตนาในโมหะสองดวงยังไงอวิชชาคือโมหะความไม่รู้เนี่ยเป็นปจัจจ ah ah ัยแก่เจตนาที่ในมหากุศลสัมปยุทธ์ยังไงวิปยุทธ์ยังไงอาสังคาริกสะสังค า, ร, สสงาริสมีรายละเอียดกว่าไว้อวิชชายังไงเป็นปัจจัยแก่รูปาเจตนาในรูปปัจจานอวิชชาแบบไหนเป็น ปัจจัยเกิเจตนาในอรูปฌานเข้าใจไหมนี่อย่างรู้โดยทำเป็นต้นอันสมควรแก่อาจเป็นต้นโดยไม่งมงายนะสมควรแก่อาจเป็นต้นนะแล้วการอย่างรู้ในทำเป็นต้นอันสมควรแก่อาจเป็นต้นโดยไม่งมงายโดยไม่งมงายนะลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเขาไม่งมงายไม่งมงายว่า ที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาเนี่เป็นบัญญัติสภาวะของอวิชชาเป็นสภาวะเป็นปรมัตยธรรมอย่างไรเนี่ไม่งมงายอย่างนะแต่ถ้าหากเป็นการตรัสรู้เป็นโลกุตระนี่ยเาจะมีถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยโดยไม่งมงายพอดมโดยไม่งมงายเนี่ยเมื่อเขาอย่างรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีนิสฐานาวิเวกเป็นอัจฉาิยะของเขาตลอดเขาจะไม่งงงายหรอกใช่ไหมเขาจะน้อมออ ก, น, อออกน้อมออกน้อมออกเนี้ย ส่วนท่านในขณะตัดทรู้นะนนเนี่ยนะในขณะแห่งมร์เนี่ยเขาจะมีนิพพานเป็นลมชัดเลยแปลว่าตอนนั้นน่ยเขาไม่คละความงมงายคือลาภโมหะเนี่ยนะคือความลุ่มหลงในปรมัติ์และบัญญัติได้อย่างเด็ดขาดแต่ท่านในขณะแห่งโลกยะเนี่ยคขละแบบจะทางขับหารประกอบด้วยมร์นะทาลายความงมงายโดยทําในอัฏฐาและบัญญัติที่ได้กล่าวไว้ครับท่านในขณะโลกุตระนะที่มีนิพพานเป็นลมนะ ในขณะหิมมัสเนาะเขาทำลายความงมงายในอะไรในธรรมะเขาไม่งมงายต่อไปแล้วในอัตถะเขาก็ไม่งมงายและในบัญญัติเขาก็จะไม่งมงายแล้วยังเด็ดขาดละได้ยังเด็ดขาดถ้าในขณะโลกิยะเขาละได้ไหมความงมงายในธรรมะอัตถะและบัญญัติลาได้แต่เป็นแต่ทางข้าพหานนี่เขาใหายอย่างเดี๋ยวนี้จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ยานที่เป็นโลกิยะเดิมหน้ากระทาให้เป็นอารมณ์เนี้ยนี่เหตุนี้ผลนี่นี่เหตุ นี่เป็นบัญญัติอสมควรแก่เหตุและผลเหล่านั้นทั้งสองเป็นต้นเะนี่ยอันนี้เขาเราียกว่าแทงตลอดโดยอารมณ์ดังที่ได้กล่าวอันนี้ก็แทงตลอดโดยอารมณ์โดยไม่งมงายนะไม่งม ง, งายในในเหตุและผลและในบัญญัติทั้งสองอย่างนะั้นแต่เป็นการแทงตลอดเบบแต่ทางคร้าก็ทำแต่ทางค้าประหารมีนิสรณเวเป็นอัจฉริยามเขาอย่างต่อเ น, นื่องเห็นไหมอธิบายต้องไปเชื่อมโยงกันที่เคยกล่าวไปว่า ส่วนญาณเป็นโลกุตระกระแทงตลอดโดยไม่งงง่ายตัดความงงงายในเหตุและผลและในบัญญัติได้เด็ดขาดด้วยมักนี่นะนั้นทำทั้งหลายทั้งควรแกอัดความว่าเหตุทั้งหลายทั้งควรแกทํามันเป็นไงอวิชชาเป็นเหตุสังขารเกิดแต่เหตุอวิชชาอวิชชาย่อะย่อมทาให้เหตุเกิดขึ้นเห็นไหมเขาบอกอวิชชานี่เองเห็นไหมย่อมทําให้สังขาร เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งอการแทงตลอดได้เห็นต้องกแก่ผลเน่ยนะยังไงเอาดือปุญญาพิสังขารเนี่ยอาปุญญาพิสังขารเนี่ยเนียนชาพิสังขารนี่นะเอาละสิทีเนี้ยเอาปัจจัยมาคิดพอหลังจากเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเอาปัจจัยมาคิดเอาวิชาเป็นปัจจัยแก่ปุญอปุญญาพิสังขารเนี่ยนะได้นห้าปัจจัยเท่าไหร่ยังยงเอาละสาชาตชาติใหญ่มาเห็นไหม สาชาตะปัจจัยสาจะไม่อวิชากเจตนาเกิดพร้อมกันเป็นสาชาตะปัจจัยไม่เอาวิชาก็ดีโมหาก็ดีกับเจตนาก็ดีเนี่ยเกิดพร้อมกันเป็นสาชาตะใช่ไหมเป็นสาชาตานิสยะเกิดพร้อมกันด้วยและอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยสาชาตัดทีเกิดพร้อมกันด้วยยังมีอยู่ด้วยสาชาตาวิคตาเกิดพร้อมกันด้วยยังไม่ปราศจากไปด้วยนี่นไหมได้สี่เลยนี่นะแล้วก็ยังมีอีกนะ เขาสามยุทธ์กันไหมแต่สมยุทธ์สมยุทธ์ปัะ จ, จัยเลยก็ได้หา้านี่นะแล้วมีอีกไหมอัญยะมัญญะเห็นเขาแก่กันแล้วกันขาดกันไม่ได้เลยถ้าโมหะกเจตนาในอรรถสนถ้าขาดกันแล้วเขาไม่สามารถที่จะเป็นเกิดขึ้นมาได้เลยนี่ก็ได้เป็นอัญยะมันยาประ จ, จัยนี่เป็นหกแ้ามีอีกไหมนี่หมดแล้วนี่นะได้หก แต่อาจจะมีอีกนะมาไมไ่คิดนานแล้วที่จริงมันน่าจะมีอัอนหนึ่งเดียบสมบิยตตะแล้วก็อัญญาบรรยอะอ๋อก็เป็นเหตุตัปัจจัยเ ล, ยเล็กนึงใช่ไหมเป็นเหตุเหตุปัจจัยนี่กวิชาเป็นหนึ่เป็นเจ็ดพอดีเลยเนี่ยสหช า, าชาติชาติเนี่ยได้เจ็ดเนี่ยได้เจ็ดเลยถ้าอารามนาชาติ ไปเลยอารามนะอารามโนปนิสยาอารามนิอมนนยออารามนาที่ดีก็ไดอารามโนปนิสยะก็ไดโอ้ยนั่นเจตนาเวลาไปยึดอโมหะเป็นอารมณ์เนี่โอยในโลภะนี่เนี้อ เ, เขาตั้งมันมาก็ตั้ง ม, มาเกเป็นรมธรรมดาก็ไดเป็นอารมณ์อย่างประทับใจก็ไดนะอันนี้เขเรียกว่าในส่วนของอารามนาชาติถ้านนันตราชาติ็ไหม ถ้าในส่วนของนั้นตระชาติที่น่ะถามว่าเจตนาที่ในชวนะดวงที่หนึ่งในโลภะชวนะดวงที่หนึ่งนะเอวิชาคือคือที่ในโลภะดวงที่หนึ่งะที่ชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นอนันตระปัจจัยแก่เจตนาที่ในชาวนะดวงที่สองมันเป็นอนันตรปัจจัยเป็นอัมมันตระปัจจัยเป็นอนันตรูปนิสัยปัจจัยเป็นนัตถีปัจจัยเป็นวิขตาปัจจัย เป็นอาเซลนะปัจจัยอยู่ยเลยหกเลยอย่างนี้นะเขาก็เขาก็ไล่ไปดักอะไถามว่านี่ไงถ้าด้านของเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารอันนั้นก็ได้ในฐานะเป็น อารมณนะอารมณะปัจจัยแล้วก็อุปนิสัยปัจจัย น, นะอย่างนี้เป็นต้นวัจเจตนาที่ในกุศลสามารถเอาสามารถเอาโมหะเป็นอารมณ์ได้หรือถ้าในส่วนของรูปเจตนาที่ในรูปกุศลอารมณะไม่ได้ก็ได้อุปนิสัยปัจจัยหรือเจตนาในรูปก็ได้แต่ได้เพราะอุปนิสัยปัจจั ย, ยนี้ เราไปพิจารณาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนี่เป็นระยะเพราะงั้นไม่ให้เอาไปปฏิบัติได้แต่จริงๆรนี้แหละสามารถเอาไปค่าควรเป็นลมปฏิบัติดีนี้จะปฏิบัติยังไงเออปฏิบัติยังไงจะไปค่ายควรยังไง ตรงนี้นะบอกว่าอันนี้ก็เรียกปัจจะปริกหายานคนถ้าผ่านปัจจะปริกหายานไม่ได้ก็ขึ้นสมัมมสนญาณไม่ได้ก็ขึ้นอุท ย, ยาพยานไม่ได้แต่เห็นมีท่านบอกว่าท่านจะปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธอัตกถาแต่มาก็จะปฏิเสธอัตกถานะว่าแต่งขึ้นทีหลังนะ เขียนขึ้นเองก็เลยเป็นปัญหากันอยู่ทุกคนนี่ต้องต้องไปนั่งคุยถ้าคุยกันจริงๆแล้วก็ต้องไปสอบถามอะไรอย่างเอี้ยถือว่าทำไมยังคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมยังคิดอย่างเงี้ยคิดว่าเอาไปปฏิบัติไม่ได้พเพราะอะไรเพราะปัญญาเราไม่ถึงก็เลยปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็เลยจบเลยเพราะเราปัญญาไม่ถึงนั่นเองเราจะมีปัญญามากไม่ได้ ใช่ไหถ้าปัญญามากเขาปฏิบัติกันได้ที่มันเหมือนว่าทฤษฎีบางอย่างมันจับต้องได้ที่ไหนแต่มันเข้าใจได้ไอความเข้าใจนี่นแหละเป็นหลังการปฏิบัติใช่ไหมทฤษฎีที่เราเรียนกันทั่วๆไปเนี่ยจับต้องได้ไหมกรณีคณิตศาสตร์เนี่ยก็จับต้องไม่ได้ก็เป็นศูนย์กันใช่ไหมเออ มันก็เป็นสูตรเหมือนกนันก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านั่นออกมาแล้วมันสามารถาอามาคายควนต่างๆสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ได้เป็นต้นนั่นแหละนี้กรณีอย่างนี้อันนี้ยกแค่ตัวอย่างแต่จริ ง, ๆ ส, งๆสิ่งเหล่านี้มีอยู่ไม่ใช่ไ ม, ม่มีแต่เพียงเราไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่ยกเปรียบเทียบถามว่าวิชามีอยู่จริงไหมมีมสังขารมีอยู่จริงไหมมีเอาสิอวิชาคือโมหามีอยู่จริงไหมมีไอ้สังขานี่คือเจตนามีอยู่จริงไหมมีอีก สังขารที่เป็นบุญมีไหมมีสังขารที่เป็นบาปมีไหมเอามีสังขารที่เป็นอเนญชามีไหมเอามีจริงๆด้วยเอาสังขารต่างๆเหล่านี้ลองไปไข่ควันพี่นะแล้วทําเหล่านี้เกิดแต่เหตุไหมอ่าเมื่อเกิดแต่เหตุแต่คุณไม่รู้เหตุไม่รู้ผลแล้วคุณมันรู้อะไรเย้ไหมคุณมันรู้อะไรให้คุณต้องรู้จริงๆว่าเออโมหะเนี่ยเพราะการปฏิบัติของคุณต้องการกระจายต้องการจะละต้องการจะประหารโมหะใช่ไหม ถ้าคุณไม่รู้จากหน้าตาของโมหะมันสร้างอะไรบ้างเนี่ยคุณจะทํำยังไงเออคุณไปนั่งดูๆต่างๆนะถามว่ามันมีความรู้ในเรื่องของโมหะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแก้ไหมการไปวิจัยการไปเข้าวิเคราะห์อเองอะ่ะถามว่าโมหะมันเด่นขึ้นในใจของคุณชัดขึ้นไหมว่าสภาพของโมหะเนี่ยมันแต่งอะไรขึ้นคุณรู้ไหมเออมันแต่งสังขารกือเจตนากรรมยังไง แล้แต่งสังขารในเจตนากรรมคือกรรมที่เป็นอดีตนั้นยังไงเนี่ยนะหรือกรรมที่เป็นปัจจุบันยังไงอย่างนี้เป็นต้นกรรมที่เป็นอดีตที่จะให้ผลในปัจจุบันกรรมที่เป็นปัจจุบันที่จะให้ผลในอนาคตเนี่ยใช่ไหมใช่เออในขณะที่ในปัจจุบันเราพบนี้ก็เหมือนกันเนาะเวลาโมหะเกิดขึ้นถ้าโมหะเกิดร่วมกันกับเจตนาอันนั้นเป็นอกุศรกรรมโดยฝ่ายเดียวเลยนะและ้วทีนี้อกุศรกรรมที่กําลังทําไปนั้นเน่ย จะให้ทั้งปฏิสนธิวิญญาณและก็ประวัติวิญญาณของคุณคุณชัดเจนตรงนี้ไหมนี่ถ้าไม่ชัดเจนตรงนี้เอาละสิรายละเอียดคุณต้องเก็บได้คุณต้องไข่้ควนได้คุณต้องพิจารณาได้คุณต้องสามารถไปวิจัยได้อย่างลึกซึ้งใช่ไหมว่าอัฏฐธรรมะต่างๆของสิ่งนี้มันคืออะไรและบัญญัติของสิ่งทั้งสองนั่นคืออะไรและการที่เขาเป็นเหตุเป็นผลของกันนั้นนะ่ะด้วยการมีอะไรให้เกิดร่วมและการเกิดร่วมเหล่านั้นเป็นไปโดยอนัตตาเป็นยังไง ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างไงใช่ไหมและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะที่มาวิจัยในลักษณะ่งนี้แต่เป็นสภาวธรรมจริ ง, รงๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลที่พระบรมศาสด า, สดาทรงเปิดเผยแล้วก็บอกเขาไว้ถามว่าบอกเขาไว้นี่ช่วยอะไรหนึ่งไม่หลงเนื้อทำให้เราไม่หลงไม่หลงก็คือว่าเมื่อปัญญาไปใคร่ควณไปพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าเอออวิชานี่คือความไม่รู้ มันไม่รู้ถึงอนาดว่ามันก็ปุ่งแต่งสังขารขึ้นมาทําไม่ทากรรมสัตว์ทั้งหลายที่ทํากรรมทั้งหลายมีอวิชชาปิดอยู่ทําไมสัตว์จึงโลภทําไมสัตว์จึงโกรธทําไมสัตว์จึงหลงทําไมสัตว์จึงทําบุญทําไมมีปารกทานเป็นต้นทําไมสัตว์จึงเจริญฌานคือมีมรูปฌานเป็นต้นแล้วก็เจริญในรูปฌานเหตุผลที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยในการที่น้อมไปใน การที่จะทําบาปที่มีความโลภสอละคดพ่อโมะหมะโมหะในปัจจุบันด้วยปิดอยู่เนี้ยต้องชัดเพราะมันเป็นในด้านของสาชาตะเกิดร่วมสาชาตานิสยาสาชาตทีสาชาตาวิกตะอัญญามัญญะสัมยุตะ์นะแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยกํากับด้วยเป็นเหตุในปัจจุบันนี้ด้วยและถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่กระหลงกระทําการดังนั้นเน่ะโอปนิสยาในาดีดเขามี ม, มีโมหะเนีดีดอย่างหนานแน่นมาแล้วเขาจะมีอัธยาศัยในโลกในปัจจุบันมันไม่ใช่เหตุปัจจุบันอย่างเดียวดังนั้นตรงนี้คุณต้องชัดถ้าไม่ชัดตรงนี้เบียเศแล้ววิปัสสนาจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้เน่ยยุง่งอันนี้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยวิปัสสนาจะต้องไปแคะไปแกะไปเกาไปทําลายข้อขอดหรือปมทั้งหลายเหล่าเนี้ยให้กระจุยวิปัสสนานะี่ยมันถึงจะมีการทะลุทะลวงแล้วก็แทงตลอดถึงจุด ถึงความเข้าใจยางแจ่มชัดได้ต้องศึกษาเรื่องัาอย่างดีมัเรื่องัดาต้องศึกษาอย่างดีมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นถึงบอกว่าจะเอาจะตัดสรู้แบบไหนจะเอาแบบวิจิตไหอล่ะไม่ต้องวิจตไม่ต้องวิจิตก็ไม่ต้องรู้เยอะแต่ไม่ใช่ไม่รู้ วจัแล้วว่าอวิชาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่สมมติว่าเป็นปัจจัยแก่โมฆะด้ไม่ใช่อวิชาเป็นใจแก่สังขารก่อนถ้าเป็นปัจจัยแก่กุศลก็จะต้องรู้ว่าโดยฐานะว่ากุศลประเภทอะไร ถ้าไปเพศเกินเป็นพวกกามาวจรกุศล ร, รูปาวจรกุศลหรืออรูปาวจรกุศลด้วยจะได้ไม่งมงายแล้วทีนี้เขาไม่รู้เขาไม่ไมีสิทธิ์ผ่านจุดนี้เลยใช่ไหมก็ไปคิดดูเดถยวคุณควรจะผ่านไหมถ้าเราเป็นครูเป็นอะไรต่างๆเนี้ยคนจะให้นักเรียนผ่านไหมเนี่ยนะ่ไ ก็สมควรไหมล่ะสมควรจะขยับไปเอานิพพานไหมล่ะตรงนั้นก็ไปคิดดูไงต้องคันไม่ยอมนั่งคุยคุยใช่ไหมคุยแล้วเปิดเผยต้องเยอะชัดที่มันนั่งคุยในไม่คุยแค่นี้ในหน่อยคียุยแบเิ้วเผยแอ้กลับไปฝังอีกพอไปเสพพุทนอย่างนั้นอีหวง่ายมากไม่ต้องใช้ปัญญาเลย คือไม่ต้องใช้วิริยะบารมีอะไรมากเลยไม่ต้องใช้ขันติบารมีอะไรมากเลยไม่ใช้ปัญญาบารมีอะไรมากเลยใช่ไหมงั้นเรื่องบารมีนี่หักกระจีหมดเลยเสร็จเลยไม่ต้องสั่งสมเป็นอธิยาศัยอะไรกันแนละ้วง้นตรงเนี้ถ้ายิ่งถกไปยิ่งเห็นยิ่งชัดขึ้นว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี่เป็นอย่ไง มันต้องมาถกมาใคร่ควรมาพิจารณามันต้องมาวิจัยลึกลงไปจริงๆด้วยตัณหาเนี่ยมันรู้มากกว่าปัญญามาพูดมาตลอดเอวิชาเนี่ยมันก็รู้มากกว่าปัญญาทิฏฐิมันก็รู้มากกว่าปัญญาอีกที่เขาเรีว่าตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันต้องแสดงว่ามีสังฝายฝายนึงก็คือไอ้อันนก็มิฉายานะก็รู้สำมายานะก็รู้มันรู้ได้ทั้งสองรู้เนี่ยแหละ ก็อัจฉริยะาใสาคุณเป็นอยังไงทำอย่างอัจฉริยะใสคุณเป็นยังไงเหมือนเนี้ยไม่ต้องอะไรหรอกสมัยก่อนอนามาเนี่ยจับคําสอนก็จับผิดอนามาเนี่ยเวลาใครวูดิปั๊บเดียวเนี่ยอนามาจะมั่นใจเป็นอีกมุมอนามาเลยเนี่อนามาเป็นคนอย่างไงเนี่นเยเอะนะออนามาเร็วมากแต่ก่อนนี ก็ไม่ได้ไงก็เอา ม, อมาเอานี่นะเอาตัวเองเนี่ยนะมองเห็นพระเนี่ยไม่สถานเลยอย่างเงี้ยเรามองเห็นพระปุ๊บมองเห็นชีปุ๊บ เ, เนี่ยเป็นฆรวาเนี่ยโอโ้โหแล้วมีเลยไม่ต้องพูดอะไรมากตําหนมก่อนเลยเงี้ยเห็นไห ม, มแรงขนาดนั้นเนียเห็นไหมพวกนี้ไม่มีที่ไปกันเนี่ยนี่นะคิดอย่างเงี้ยเท็่แรงไหมเนี่ยแรงก็หลายคนนี่พวกเราย่งไม่แรงยัยงมันจมาเอามาแรงเน่เป็นฆราวาส ก็ใช่ไงก็ไปเห็นใช่ไหมสาเหตุที่จะคิดอย่างนั้นก็เห็นแท้<ร>าถ้ที่จริงเราคิดผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้จึงรู้ว่าเราคิดผิด<ร>มันผิดรหรือไม่ผิ ด, ผดคือเรารู้จากเขาน้อยนิดเนี่นมุมเดียวอยที่ก็รู้เนี่ยคือเราปริมาณ ไปมาลอยหนึ่งสมมุติเรารู้สักหนึ่งเนี่ยเราไปตัดสินเขาแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้อดีตเขาด้วยไม่รู้อนาคตเขาจะไปยังไงด้วยบางทีเนี่ยเ ข, เขาอย่างนี้นะเอางี้นะว่าเอางี้นะว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าใช่หไหมได้กล่าวกับทนิยะกทนิยะออกมาบอกว่าเออภรรยาและลูกของเ้าเนี่ย เป็นคนดีไม่นอกจใจพระเจ้าบอกธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้ได้ยากใช่ไหมเธอจะรู้ได้ยังไงว่าเขาดีกับเธอก็ในทั้งในปัจจุบันเธอไม่เพิพื้นนอกใจเลยเนี่ย mm. เธอมีสัพยุตยานอย่างตาคดหรือจบเลยมีไหมถ้ามีสัพยุตยานอย่างตาคดจริงจะรู้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยก่อบแค่ไหนจบเลยทันทีที่ฟังก็ยุ่งหรือ ถ้าเราเสริญพรรยามาแทบตายทั้งชีวิตโอ้ก็จิตของเธอเองเธอยังไม่รู้เธอยังบอดเธอยังมืดแล้วเธอเอาจิตที่บอดที่มืดเนี่ยไปรู้ว่าจิตของคนอื่นเนี่ยรู้การกระทำของคนอื่นเนี่ยมันฐานะที่ไหนแลกพอพูดอย่างเงี้ยทนธนินนยาก็เห็นไมได้สติเลยโอ้ เราเดาความคิดของคนอื่นมาอยากยาวนานดาวความคิดของโคด้วยนะของลูกน้องทั้งหมดด้วยนะของภรรยาด้วยนะของลูกด้วยนะยามภรรยาดูปฏิบัติดีดีใจปฏิบัติไม่ดี เ, เสียใจลูกปฏิบัติดีดีใจลูกปฏิบัติไม่ดีเสียใจเนะยเออไปอยู่ตรงนี้เราไม่มีสัพพัญญตญาณอะไรเลยนะก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไปรู้เนี่ย นี่เป็นอย่างนี้เราต้องเราต้องรู้จักว่าวิธีวิธีฟังธรรมของพรนะพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้จักประมาณตนว่าเรานะั้นไม่มีอะไรเลยแบบแต่มิจฉาทิฏฐิการดูแล้วความรู้ไม่มีเลยท่านถึงอุปมาว่าปัญญาเอสัทธะเท่าท้องเมล็ดผักกาดแค่นั่นแหละไอ้ที่เรามานั่งยืดยืดกันอยู่เนี่ย จบนั้นจบนี้เก่ง น, นั่นเก่นนนงนี่อะไรกันหน่อมีอะไรหรอกตัดให้มันขาดไปซะมันจะได้รู้เรื่องว่าตนเองไม่มีอะไรอรรมาที่พูดพูดได้เนีอยวัฒนธรรมของพี่นะเจ้าแต่ยังมีอะไรหรอกเนี่ยพูดอย่างเงี้ยสบายใจอย่ยางที่ถีไปตั้งถ้าที่ถีไปตั้งก็งัดกันอยู่นั่นแหละไม่จบหรอกมันยาวนานมาแล้วไอความเห็นแบบเนี้ยท่านไม่ถอนตัวเดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่แล้วมันก็แบกที่ถีถือทองวิง่งไป อความสำคัญเป็นมานะความความเห็น the น no ั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิพราตนเองรู้ตนเองรู้ตนเองเข้าใจอ่ะเพราะเป็นสำคัญว่าตนตอนตอนอยู่เนี่ยตนเข้าใจตนรู้ตนเห็นตนมีความรู้สึกยังไงเขาว่าไปเถอะไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยถ้าละไม่ได้ถ้าปล่อยไม่ได้ถ้าวางไม่ได้จะหลุดไม่ได้นี่นะก็เรียนอะไรก็ไม่ ปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ดูก่อนพระมหากระสมะเออจะเอาประวัติของพระมหากระสมมาดูดิมีอยู่ข้อหนึ่งเราจับไม่โชวงวงเข้าไปสืสกูลใช่ไหมเขาว่าโชวงวงเข้าใจไหมคืออะไรเข้าใจไหมเปิดประวัติของท่านพระมหากระสมิเปิดให้ดูแค่นะตรงเนี้ยถ้าเราพิจรารณ า, าตรงนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันมาจากมิจฉาทิธิมันเป็นสัตว์มิจฉาทิธิ อาจะมาพูเงี้มันก็ ม, นกมันก็ทําคนโกรธไม่ก็พอใจเลยใช่ไหมไม่ใช่พูดอย่างเงี้ไปแบกรับตัวเองแล้วก็หาว่าเขาว่าตัวนี้ก็เป็นทุกข์อีกยรับคือพูดอย่างนี้หมายความว่าพวกเราอ่ะพวกเราอ่ะอนี่เป็นดูดมาได้โทสะอีกไม่พอใจไหมเขากูคุยรับเาไม่พอใจสัตว์ที่ไม่ได้ตัดสู้เนี่ยมันเป็นสัตว์มิจฉาทิถี ก็มีใครนั่งดัชเชร์ลตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มี <g ül> ม, มันโพูดอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าเรายังดีกว่าเขาอยู่นั่นแหละเพราะเราเด็กใหม่ <g ül> ใช่ไหมมันก็ยังประกาศทิฏฐิประกาศทงตัวเองออกมหมีนั่นแหละ <c oughs> คือคือตรงนี้ที่ต้องการบอกเนี่ยต้งาการจะรู้ว่าเออเราเนี่ยใช่ไหมเออเราต้องรู้ตัวเองต้องรู้จักประมาณตัวเองไม่ใช่ว่าสมาพูดอย่างนี้สมาไม่จะไม่ประมาณตัวเองนะ ไม่ใช่อาจารย์ไม่ประมาณดูเองนะประมาณสิ่งที่รู้ถ้าถามไม่หนไม่เหนืห่อถ้าไม่เปิดตารามาที่บานหมดจบฮะที่แหนดูคนบอกโอขั้นเข้าใจอะไรมากเลยแล้วถ้าวันใดนะถ้าวันใดนะอาจารย์พูดว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง วันนั้นอาจารย์จะเป็นพระเจ้าเนี่ไงทีนี้มันไม่ยัง ม, มันไม่เป็นใช่ไหมดูผ้าสื้อผ้าท่ท่านเป็นผู้ใหม่ใช่ไหมในพระธรรมวินัยผ้าละหันพูดเนี่ยทําไมไม่ามาคิดกันบ้างอะทําไมท่านอ่อนน้อมถ่อมตนบัดนั้นเออเราีได้สักมักงไหมเนี่ย ไม่ได้จักมากไม่แข็งกระด้างแบบ น, นี้มันต้องเครียดว่าอะไรมันฝังใจเราอยู่เหทำไมใจเรามันหินขนาดนั้นนะใช่ไหมเออทาไมเราหินขนาดนั้นจิตใจของเราเนเอาอะไรทําเงี้ยใช่ไหมเออแล้วเราเราจะไปฝังตรงไหนเราจะไปเรียนอะไรอะไรต่วเนี้ยเออเหมือนเหมือนว่าเ อ, อ๊ะ ท่านฤาษีผู้นี้ใช่ไหมพูดทุกคําแล้วด่ากูทุกคําเลยอย่าเงี้ยก็เป็นอย่างพระราชาองค์หนึ่งจําได้ไหมล่ะใช่ไหมแล้วเขาก็จัดการเลยฆ่าเลยเนี่ยวางแผนฆ่าเลยเพราะไอ้ดาบทนี้ที่ภรรยาพามานี่พระเม ษ, ษีพามานี่ทุกคําพูดทิ่มเราทุกคําไม่สรารเสริญเราเล ย, เยต้องทราบว่าอัธยาศัยของท่านเพื่ออะไร ที่จริงอาทยาสายท่านเคจะขัดเกลาแต่ท่านผู้นี้ไม่ยอมรับการขัดเกลาจะถือว่าก็เราจะถือทงอันนี้น ม, มันจะเสียหายเออมันจะเสียหายก็ก็พูดแค่นั้นเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าท่านพระหมหากระจกใช่ไหม ท่านไปฟฝ้าพระพุทธเจ้าท่านรับโอวาทใช่ไหมที่ท่านอุปสมบทเนี่ยท่านรับโอวาทจากพระศาสดาท่านรับบอกว่าดูก่อนการสป่าเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเข้าใจคำว่าศึกษาอไห ม, มเธอทําสิพึงทําพึงเจริญหรือตั้งมั่นในศีลคาสามคือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ว่า เราจะมีหิริโอตปาเข้าใจหคว่าหิริโอตะปานี่ความละอายความละอายต่อบาปใช่ไหีหิรินั้นมีอารมณ์ภายนในคร่ควรตัวเองโอตปานั้นมีอะไรอารมณ์ภายนอกอย่างแรงกล้าในอันที่จะเข้าไปหาพระทั้งที่เป็น เทระตั้งแต่ภาษาเลยสิบไปแล้วเนี่ยทั้งที่เป็นมัชชิมะจากต่มสิบลงมาไม่ต่ำกว่าห้าทั้งที่เป็นนวกะตั้งแต่ต่ำกว่าห้าลงมาเห็นไหมอย่างแรงกล้าเออถ้าเราเข้าไปหาเนี่ยเราจะตั้งหิริโอตปะอย่างแรงกล้านี่เป็นพระเข้าไปหาพระท่านยังต้องตั้งหิริโอตปะอย่างแรงกล้า แล้วยังท่านต้องทำศีลสมาธิปัญญาไปอย่างนะั้นี่นี่ดูพระเจ้าสอนสอนอย่างนี้เพื่อต้องการตัดมานะตัดทิศถีท่านเดี๋ยวท่านจะไปมีความรู้สึกว่าท่านจะเป็นคนฉหาบมาจากคนรวยทิ้งทรัพย์ปดสิบโกดเป็นต้นใช่หมสะอาดสมบัติเนี่ยอย่างพรธเจ้าได้อย่างเงี้ยแล้วตนเองเนี่ยเป็นคนปฏิบัติดี ตแต่รารวะไม่เคยเกี่ยวพันกับพันธยาเลยไม่เคยยินดีในการบุคุณเลยมีใครทําได้อย่างท่านแล้วอย่าไปตั้งไปอย่างนั้นถอดออกดึงออกความเห็นแบบนั้นนะเห็นถูกนั่นเป็นมานะมันยกตนมันข่มท่านใช่ไมมันข่มท่านถอดทิศทีออกสองเธอพึ้งศึกษา ทำศีลสมาธิปัญญาเราจะฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกุศลหนึ่งเดินศิกขาสามด้วยเวลาถ้าฟังธรรมก็จะทําจิตให้เป็นกุศลด้วยทําอย่างไดอย่างหนึ่งจะเป็นระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาระดับเกี่ยวกับในเรื่องของพระอินัย์พรโดกพระสุตตันจารย์พระดกหรือพระพิธามพิโดกเนี่ยก็จะทํากุศลจิตให้เกิดขึ้นจับ ก, กระทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ ว่าเออทำเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันพบนะและโดยเฉพาะตั้งปณิมัติตประโยชน์เพราว่าฟังธรรมทุกครั้งนี่ตั้งอัธยาสัยเพื่อ น, นิสันนาวิเวกตรงเนี้ยเพื่อ น, นิสันนาวิเวกและใส่ใจในธรรมนั้นทั้งหมดคือตั้งโยนิโสมนัิการในธรรมเหล่านั้นทั้งหมดที่เราฟังใส่ใจตรงไม่ใช่ใส่ใจโดยโยนิสสโสดมยมนัสการอย่างเดียวนะ จะประมวลมาได้จิตทั้งหมดด้วเอามาประมวลฟังแล้วประมวลมาทั้งหมดเลยได้จิตทั้งหมดน่ะเรียวแรงคุณมีอยู่เท่าไหร่ของความเป็นบุรุษชนตอนนั้นหรือว่าเป็นพระมหากษัตริยตอนนั้นท่านใช้เรียวแรงทั้งหมดในการประมวลในการตั้งใจฟังเราเคยมานาสิกานันถึงขนาดนั้นไหมละ่ะฟังจนลืมตัวนี่เคยเป็นไหมไมีแต่หลับลืมตัวบ้างไหมไม่สนใจไปที่อื่นถ้าไม่ใส่ใจฟังบ้างเป็นต้นอะไรเนี้ย เราทำไมไม่มีอริยะประเพณีแบบแผนประเพณีพระระยะทั้งหลายท่านทำไว้อันนี้ท่านทำบอกว่าที่ท่านทําไวเนี่ยเพื่อเป็นเนตินะท่านประกาศเองเลยนะทําไมท่านต้องเคร่งครัดกัตพาะทั้งทั้งเธอก็ร่วมการผ่านเร็วผ่านไว้มาแล้วทําไมเธอไม่รับทุนดองบางข้อบ้างเช่นอยู่ป่าอยู่คนม้อยู่ถ้าเนี่ยท่านบอกว่าจะได้เป็นเนติตัวอย่าง แกปัชิมาชนาตาชนหรือท่านว่ามั้งคือชนที่เกิดในภายหลังจะได้ท่านเป็นแบบอย่างเอาสิหนีมันต้องอย่างนี้เขามีชื่อปรากฏใช่ไหมแล้วชื่อชื่อที่ปรากฏไปนานมากอย่างเงี้ยนี่สองพันกว่าปีใช่ไหมที่อิรดาเอวยพรหมเอวยที่ยังไม่ปริทิพานเนี่ยจะรัเถินท่านกล่าวถึงท่านิน ถึงนต้นกันงั้นแหละเข้าใจใช่ไหมอย่างเงี้ยท่านท่านประมวลทั้งหมดเนะ่ยท่าไม่ตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่หดุดหดหดไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเขาตั้งใจจริงๆเรามันมิทยาศาสตร์จะตัดสู้ไงอย่างงไม่คู่ควรสมัยอ่ะมีเดี๋ยพูดถ้าอาจมายกยกประเด็อาจารย์มานีนเวลาฟังทำเวลาไปนั่นนะอาจารย์ถ้าสมัยก่อนที่สุขภาพที่ค่อนข้างนั่นนี่ ไม่เคยละจิตเลยเวลาฟังเนี่ยฟังใครอยู่กุศลใครอยู่ยนั่นก็แล้วแต่ทุกคําพูดเนี่ยอย่างเช่น ว, ว่าเขาว่าเขาพูดคาไหนอะไรมาก็ประมวลคํานั้นอันมาไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่สนใจจะประมวลทุกคําทุกคําทุกคําทุกคําทุกคําและจะไม่เคยคิดแย้งก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันมาจะเอามาประมวลด้วยทีอันไหนไม่ชอบมาภาคนก็เคลียออกเคลียออก นี่สัยเป็นอย่างไงมาแต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาไปฟังไม่ค่อยมีเวลาไปฟังอย่นีน้เพราะว่าเราก็ดูดูแล้วอยากหาสิ่งที่ถูกฟังใช่ไหมอยากหาสิ่งที่ถูกฟังทีนี้คนนั้นๆก็ไม่มีใครที่จะลำดับให้เราได้อย่างนั้นเนี่ยก็เลยมาถ้าฟังที่เขานั่นพระไตรปิฎก โ, โอ้เต็มที่เลยฟังชื่นใจถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังเนี่โอ้ชอบฟังมากอ่านเยอะ แต่เขาอ่านให้ฟังนี่ใจนี่นะมียอ่อสมัยอ่านย่อแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยมันมาุนมันสั้นไงมันต้องการที่มันยาวๆไปป๊อปป๊อปเลยงั้นนะไม่หลขาดวักให้ตัดตอนเป็นไปโดยลําดับงั้นนะมันฟังเราประมวลได้ตลอดประมวลได้ตลอดงั้นนะนั่นแหละถ้ายอย่างนั้นนี่อ่านย่ออ่านย่ออ่านย่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เออไม่ค่อยเห็นไง แตกก็ยังดีนะที่ว่าถ้าอ่านมันคิดไหมที่ว่ามีโยมผู้หญิงอ่านย่อยอดในฉบับม้าอยุราไงข้อตามนั้นไงแต่ก็ถือว่าดีก็ต้องคือปัญหาจริงๆเนี่ยเวลาฟังเนี่ยมาจะลุกขึ้นตั้งใจฟังเลยมาันฟังทําอย่างนั้นเลยฟังอยู่นั่นแหละ คือคือฟังถ้าฟังขอถ้าฟังเนี่ยแต่คือใจน้อมฟังเนี่ยแล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดอ๋ออาจจะมาไม่เป็น <c oughs> อ, อ, อ๋อต้องเปิดไปจนนึ้รับเลยอเปิดไปจนนึ่งมาใช่มใช่ ทำไมทั้งนี้ช่วยได้เยอะไหมนั่นเลยไหมก็รอแพ้่แสงอย่างนี้ก็รบแพ่แสงก็หลบๆแสงออกมุมอีกมุมหนึ่งนเดินเออ น, นั่งข้างๆได้เออกรณีเออถ้าเย่างนั้นได้หลบแสงใช่ เนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกใส่ใจในธรรมทั้งหมดจักประมวลมาด้วยจิตแล้วเงี่ยโสดสดับพระธรรมโดยความเคารพกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมนั่ามาประทับใจที่ว่าท่านพ่นอยน่นอุราวังธรรมจากพบรมภาะาสดานีไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยสกิดไม่หันกลับเลยไง เรามีมันตั้งหลักกันไว้เยอะหมดนะจะมาที่เราหลุกเด็กมากนะหลุดายหลุดขวางมันมันตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราอันนี้ที่พูดมาเนี่ยเราพูดมาต้องการให้ถ้าปรารถนาจะเป็นคนเข้าใจว่าทำนะแล้วจะไปบอกว่าเรานั้นน่ะทําไมเราไม่ค่อยเข้าใจ ความไม่เข้าใจมาจากสมาธิเราไม่ค่อยดีนะความเพียรนะมันอยู่กับความเพียรสมาธิสติสามตัวจะเป็นองค์สมาธิเนะเรารู้เนี่ยว่าสมาธิเป็นฐานของปัญญาคือเดี๋ยวนี้ทางโลกก็สอนกันมันเสียหมดนะให้เรียนอะหลายๆอย่างเนี่ยผมพร้อมการสามารถฟังนู่นฟังนี้ได้เด็กกลายเป็นคนหลุกหลิกหมดเลยนะี่ แล้วเขคุยอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นนันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เดี๋ยวนั้นเลยนะเราก็งงดิเราเป็นคนยุคทำที่รอย่างอัลมาเป็นคนทําที่ระย่างด้วยอันนี้กระพีกำลังโป๊ะโป๊ะเขาสามารถไปอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เนี่ยเขากว้างแต่มันไม่เลือเหมือนรู้แต่มันไม่รู้รบาุทีเขาว่าก็อะไรกันนี่นะป๊อปแป๊กป๊อย่าไปถือสาเขาเลเนะี่ยเราคนที่เขาเป็นจริงเป็นจังไม่เจร อ, อยู่ลายหนึ่งนะโอ้โหเขาบอกเม้ เนี่ยมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรต่างๆว่เออแล้วก็บอกดีแล้วแท่นั้นก็อย่าไปที่ไปไปออกมาแล้วก็แล้วเขาบอกใช่ไหมเอ๊ะที่ไหนได้เขามาพูดเนี่ยเขามาระบายที่จริงเขาไม่ได้โกรธกันจริงเขาไม่ได้คิดนั่นเห็นจริงตอนเป็นคลาาราชกุเนี่ยเราก็เห็นก็าโอ้โหสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันใช่ไหมทะเลาะ ก, กันต่างๆอะไรต่างๆแ ล, ล้วมันที้ว่าโอ้โห แล้วมาหามามามามาคุยไังมามีดีออกมาสิจ <c oughs> ิไปทํำไมละ่ะอ๋ออยู่ดิ <c oughs> เสร็จเลยเราเป็นหมาเลยตอนเนี้ยเสร็จออ <c oughs> ตายาให้เราก็ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นทุกเรื่องจริงไงอาตมาไม่รู้เรื่องตรงนี้ป่าวอมาเพราะเขาเขาพูดอะไรไหนเราไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงไงสัตว์โลกเป็นแบบนี้แล้วเราก็มักเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมัมนก็มักเป็นกันอย่างเนี้ย